ที่พึ่งทางใจในศาสนาพุทธนี้สอนไว้อยู่สองแบบด้วยกันแบบที่หนึ่งคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจแบบที่สองคืออัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนนี่คือ ที่พึ่งของใจสองแบบด้วยกันเป็นที่พึ่งที่จะช่วยปกป้องรักษาใจไม่ให้ถูกความทุกข์ต่างๆเข้ามาเหยียบยำ่ำมาก่อกวนมารุมเราถ้าตนยังไม่เป็นที่พึ่งของตน คือถ้าตนยังไม่สามารถที่จะปกป้องรักษาใจไม่ให้ความทุกข์ต่างๆเข้ามาเหยียบย่ำทำลายก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้สั่งผู้สอนวิธีที่จะรักษาใจไม่ให้ถูกความทุกข์ต่างๆ มาเหยียบย่ำทำลายเพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ที่เป็นที่พึ่งของตนแล้วเป็นผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆแล้วจึงมีความสามารถที่จะสั่งสอนให้ผู้ที่ไม่รู้จักวิธีรักษา ปกป้องจิตใจของตนให้ปราศจากความทุกข์ได้นี่คือที่พึ่งทางจิตใจถ้ามีที่พึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งจิตใจก็จะปลอดภัยจากความทุกข์ถ้าเรายังไม่สามารถที่จะ ปกป้องรักษาใจของเราให้หายให้ปราศจากความทุกข์ต่างๆได้เราก็ต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ท่านสอนวิธีที่จะรักษาจิตใจของพวกเราที่กําลังถูกความทุกข์ต่างๆรุมเร้าอยู่ให้อยู่อย่างไม่มี ความทุกข์ได้จิตใจเราก็เป็นเหมือนร่างกายร่างกายของเราตอนที่เราเกิดมาใหม่ๆร่างกายก็พึ่งตนเองไม่ได้ร่างกายก็ต้องพึ่งพ่อแม่คอยเลี้ยงดูคอยสั่งคอยสอนและพึ่งครูบาอาจารย์ตามสถานที่ศึกษาต่างๆ สั่งสอนให้มีความรู้ให้รู้จักรักษาร่างกายให้อยู่อย่างปลอดภัยให้อยู่อย่างปราศจากความทุกข์ต่างๆใจของวกเราตอนนี้ก็ยังเป็นเหมือนเด็กทารกที่เพิ่งเกิดออกมาจากท้องพาะจากท้องแม่ยังไม่รู้จักวิธี ปกป้องรักษาใจไม่ให้ความทุกข์ต่างๆเข้ามาเหยียบย่ำทำลายได้ใจจึงต้องอาศัยพ่อแม่ในทางใจก็คือพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นผู้ที่จะสอนให้เรารู้จักวิธีป้องกันจิตใจ ไม่ให้มีความทุกข์ต่างๆเข้ามาเหยียบย่ำทำลายการที่เราถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะก็ถือแบบนี้ถือเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้สั่งผู้สอนเป็นผู้ที่รู้วิธีจะรักษาใจของเราให้แข้วคาด ปลอดจากความทุกข์ต่างๆได้อย่างร้อยเปอร์เซนดังนั้นเราจึงถ้าเราอยากจะให้เราใจของเราอยู่ปราศจากความทุกข์ต่างๆเราก็ต้องเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อคําสอนของพระอริยสงสาวุการที่เราจะ เข้าหาคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีคําสอนของพระอริยสงสาวก็ดีเราก็ต้องเข้าหาคําสอนที่มีแสดงไว้ในที่ต่างๆเช่นคํ า, อาคสอนของพระพุทธเจ้าตอนนี้เราไม่สามารถ ฟังจากพระพุทธเจ้าโดยตรงแต่เราก็มีคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการจดจําถ่ายทอดกันมารักษากันมาบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนี่เป็นที่เก็บคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงสั่งสอน พุทธศาสนิกชนในสมัยที่พระพุทธเจ้ามีพระชนชีพอยู่ตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกันหลังจากที่พระองค์ได้ตัดสร้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วพระองค์ก็ทรงใช้เวลาที่เหลืออยู่45ปี ก่อนที่จะเสด็จดับขันธ์ปารนิพาพานไปก็ทรงใช้เวลาที่มีอยู่นั้นทำประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกที่ยังติดที่ยังถูกความทุกข์ต่างๆเหยียบย่ำทำลายให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้พระพระพุทธเจ้านี้ทรงมีภารกิจ ที่ทรงกระทำอยู่ทุกวันอยู่ห้าภารกิจด้วยกันห้าภารกิจนี้สี่ภารกิจนี้เกี่ยวกับการให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเช่นในตอนบ่ายพระพุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรม ให้กับคาราวาดญาติโยมผู้คลองเรือนในยามค่ำจะแสดงธรรมให้แก่พระภิกษุสา ม, มเณรและภิกษุณีในตอนดึกจะทรงแสดงธรรมให้แก่เทวดาและในยามเช้าก่อนที่จะทรงออกบินทบาท ทรงพิจนาเรงญาณดูว่าควรจะไปสั่งสอนใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นและพอสว่างพระองค์ก็ทรงเสด็จออกบินทบาทนี่คือภารกิจที่พระพุทธเจ้าได้ท่งบำเพ็ญอยู่ทุกวันเรียกว่าพุทธกิจห้า 4พุทธกิจในพุทธกิจ5้านี้ก็เป็นเกี่ยวกับการสั่งสอนธรรมะความรู้ที่จะทำให้ผู้ศึกษาได้นำเอาไปปฏิบัติได้นำเอาไปดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของตนให้หมดสิ้นไปนี่คือ คำสอนต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสัง่งสอนได้มีการจดจําในสมัยก่อนไม่มีการเรียนหนังสือไม่มีการเขียนไม่มีการอ่านหนังสืออาศัยพระภิกษุที่มาบวชนี้มาช่วยการจดกันจํามาท่องกันเป็นบทสวดมนต์ต่างๆบทสวดมนต์ต่างๆที่เราสวดกันอยู่ในปัจจุบันนี้ ก็เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้คัดออกมาจากพระไตรปิฎกให้เราได้สวดกันการสวดมนต์หรอการอ่านหนังสือธรรมนี้ก็เป็นการศึกษาการศึกษาพราะธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าสวดมนต์เป็นภาษาบาลีถ้าเราไม่เข้าใจ ภาษาบาลีเราก็จะไม่ได้ความรู้ได้เพียงแต่การเจริญสติทำใจให้ว่างให้เย็นให้สบายให้สงบแต่ถ้าเราต้องการความรู้เราต้องอ่านคำแปลของบทสวดมนต์เราถึงจะรู้ว่ามีความหมายว่าอย่างไร คำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบทที่ได้สรงแสดงไว้นี้สรงสอนเกี่ยวกับวิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตใจของพวกเราอย่างนั้นถ้าเราสวดมนต์ถ้าเราอยากจะรู้ความหมายของบทสวดมนต์เราก็ต้องไปอ่านคำแปล เราถึงจะได้ความรู้ที่จะช่วยให้เราได้รู้จักวิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆป้องกันความทุกข์ต่างๆไม่ให้เข้ามาเหยียบย่าทำลายจิตใจของพวกเรานี่คือวิธีที่เราจะเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าได้ก็คือเรียนรู้จากพระธรรมคำสอน ที่ได้มีการบันทึกจดจำเก็บไว้ในพระไตรปิฎกอถ้าเราอยากจะศึกษาจากพระพุทธเจ้าเราก็ไปศึกษาที่พระไตรปิฎกไปหาบทคำสอนต่างๆที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกมาอา่านแล้วเราก็จะได้เรียนรู้วิธี ที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้วิธีที่สองที่เราจะสามารถเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็คือไปศึกษากับพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวุกก็คือผู้ที่มีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ศึกษา จากพระพุทธเจ้าบ้างหรือจากผู้ที่ได้สำเร็จผู้ที่ได้เรียนได้ปฏิบัติจนสำเร็จเป็นพระอาริยบุคคลเป็นผู้ที่รู้จักวิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจก็ศึกษา ตอนต้นก็ศึกษาจากพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติได้บรรลุผลจากการปฏิบัติคือรู้วิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจท่านก็ได้เป็นพระอาริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นเหมือนผู้ที่ได้เรียนจนสำเร็จปริญญา ได้รับปริญญาจากพระพุทธเจ้าแล้วหลังจากนั้นก็สามารถทาหน้าที่สั่งสอนวิธีดับความทุกข์ต่างๆแทนพระพุทธเจ้าได้สมัยนี้เราไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนเราถ้าเราอยากจะเรียนจากพระพุทธเจ้าก็ต้องเรียนจากระไตายปิดกถ้าเราอยากจะเรียนกับพระอริยสงสาวก เราก็สามารถเรียนได้เช่นเดียวกันถ้าเรารู้จากพระอริยสงสาวกว่าท่านอยู่ที่ไหนท่านสั่งสอนธรรมะที่ไหนเราก็ไปศึกษากับพระอริยสงสาวกได้เราก็จะได้รับความรู้เหมือนกับที่เราได้เรียนจากพระไตรปิฎก ความรู้ที่เราจะสามารถที่จะนำมาไปดับความทุกข์ได้นี้ต้องเกิดจากการที่เราหมั่นศึกษาเหมือนกับการไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนเราต้องไปเรียนอยู่เรื่อยๆอไม่ใช่ไปเรียนวันสองวันแล้วก็หยุดเรียนเราเรียนกันเป็นปีปๆเลย กว่าจะได้จบปริญญาตรีนี้เราต้องเรียนกันถึงประมาณสิบหปีด้วยกันถ้านับตั้งแต่ปหนึ่งขึ้นไปปหนึ่งถึงปหมหนึ่งถึงมหก็สิบสองปีแล้วเข้ามาหาวิทยาลัยต่ออีกสี่ปีถึงจะได้รับปริญญาตรีสิบหปีด้วยกันชั้นใด การศึกษาวิธีการกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจก็ต้องมันศึกษาเหมือนกับการไปโรงเรียนต้องมีการศึกษาอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องเมื่อรู้แล้วว่าว่าจะต้องปฏิบัติอะไรจากการที่ได้ศึกษา ก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติถึงจะสามารถกาจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตใจให้หมดสิ้นไปได้การศึกษาก็เป็นการเรียนรู้การปฏิบัติก็เป็นเหมือนกับการทำข้อสอบเราจะรู้ว่าเราสอบได้หรือไม่ได้เราต้องสอบการปฏิบัติ เราจะรู้ได้ว่าเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หรือไม่ก็ต้องเกิดจากการปฏิบัติการศึกษาเพียงอย่างเดียวนี้ยังไม่รู้ว่าเราจะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีในใจของเราให้หมดไปได้หรือไม่เมื่อเราได้เรียนรู้แล้วเราก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติ ถ้าเราปฏิบัติได้เราก็จะรู้ว่าเราได้กำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ดังนั้นการที่เราจะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจถ้าเราไม่รู้จักวิธีกำจัดด้วยตนเองถ้าเรายังไม่เป็นอัตตาหิอัตโนโนาโถถ้าเรายังไม่ แต่ถ้าเรายังพึ่งตนเองไม่ได้เราก็ต้องพึ่งคนที่รู้จักวิธีดับความทุกข์นี่ยก็คือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆส์นั่นเองเถ้าจะเรียนจากพระพุทธเจ้าก็เรียนจากพระไตรปิฎกถ้าจะเรียนจากพระอริยสงฆ์ก็ไปตามวัดต่างๆไปเสา ะ, ะแสวงหาไปฟังเทศฟังธรรมคำสอน ของพระที่แสดงธรรมเมื่อฟังแล้วถ้าเราน้อมนำเอาไปปฏิบัติและความจัดกำจัดความทุกข์ได้ <c oughs> ก็ถือว่าเราได้ได้เรียนจากบุคคลที่รู้จริงเห็นจริง <c oughs> ถ้าเราศึกษาแล้วเราไม่สามารถนำเอาไปกำจัดความทุกข์ได้ก็แสดงว่าเรา ไม่ได้เปียนจากผู้ที่รู้จริงเห็นจริงเพราะสมัยนี้ผู้ที่มาบวชนี้มีทั้งผู้ที่บรรลุเป็นพระอริยสงสาวกและมีผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอริยสงสาวกเป็นเหมือนยังเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนอยู่บางท่านบวชเรียนมาแล้วก็เรียนจบเปรัญญา บรรลุธรรมขั้นต่างๆเป็นพระอริยสงฆ์สาวกขั้นต่างๆแต่เราไม่มีประกาศสัญญบัตรมาเป็นเครื่องรับรองเพราะการที่จะบรรลุธรรมนี้เป็นเรื่องของสันทิติโกเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติผู้ศึกษาจะรู้ได้ด้วยตนเองผู้นี้จะไม่สามารถ รู้ได้ถึงแม้จะบอกว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จผู้ที่ฟังก็ไม่รู้ว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จมีผู้ที่ปฏิบัติเท่านั้นเองที่จะรู้ว่าตอนนั้นสำเร็จหรือไม่สำเร็จจึงเป็นการยากต่อการที่จะแยกแยะว่าพระภิกษุรูปไหน เป็นพระที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วได้เป็นพระอริยสงสาวกแล้วพระภิกษุรูปไหนยังไม่ได้เป็นอันนี้ก็ต้องอาศัยการเสาะแสวงหาจากาบุคคลต่างๆที่อาจจะมีความสามารถ ที่จะรู้ได้ว่าพระรูปไหนท่านเป็นพระอย่างไรเพราะว่าการที่จะรู้ว่าพระรูปนั้นรูปนี้เป็นพระอย่างไรผู้ที่จะรู้นั้นก็จะต้องเป็นผู้ที่ได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะรู้ว่าคําสอนของ พรรูปนั้นรูปนี้เป็นคำสอนที่ตรงกับความจริงหรือไม่ที่สามารถที่จะทำให้ผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากความทุกข์หรือไม่อันนี้ก็ต้องส่วนหนึ่งก็ต้องอาศัยการสอบถามจากผู้ที่รู้คือผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติ แล้วเราก็ต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเราอีกครั้งหนึ่งว่าความความจริงที่เราได้ฟังจากผู้นั้นผู้นี้เกี่ยวกับภาพรูปนั้นภาพรูปนี้ว่าเป็นพระปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบเป็นพระอาริยสงสาวกหรือไม่เราก็ต้องเข้าศึกษาคำสอนของท่านแล้วนำเอาไปปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนและเราสามารถ กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปได้เราก็จะรู้ว่าพระรูปนั้นท่านเป็นพระอย่างไรเป็นพระสุปฏิปันโนเป็นพระอริยะหรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องของการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ การเข้าหาการถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนี้ก็คือให้เราถือท่านเป็นครูเป็นอาจารย์ไม่ใช่เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อให้ท่านปกป้องคุ้มครองด้วยอำนาจอันลึกลับที่เราเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเช่นเราอาจจะไปคิดว่าการถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็น ที่พึ่งนั้นจะทำให้เรามีที่พึ่งทางร่างกายคือแค้วคาาปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆจะอยู่ยงคงกระพันถูกยิงก็ยิงไม่เข้าถูกแทงก็แทงไม่เข้าเกิดอุบัติเหตุก็ไม่ตายอันนี้เป็นการเข้าใจผิด พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เป็นที่พึ่งในลักษณะนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ไม่ได้มาปกป้องคุ้มครองร่างกายของพวกเร า, ร, า, า, ร, เาร่างกายของพระพุทธเจ้าร่างกายของพระอริยสงสาวกท่านก็ยังไม่สามารถปกป้องคุ้มครองได้ร่างกายของพระพุทธเจ้าก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายของพระอริยสงสาวกทั้งหลาย ท่าก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันเหมือนกับร่างกายของพวกเราการที่เราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนี้ไม่ได้เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาปกป้องรักษาชีวิตร่างกายของพวกเราชีวิตร่างกายของเราจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งหรือไม่ร่างกายของเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนเดิม จะต้องเจอกับอุบัติเหตุถ้าถึงคราวเคราะห์ร้ายถ้าถึงเวลาจะต้องเจอเหตุการณ์ร้ายแรงที่จะมากระทบกับร่างกายก็ต้องเจอเป็นเรื่องธรรมดา <c oughs> ไม่มีใครที่จะมายับยั้งมามาห้ามเหตุการณ์ต่างๆที่จะมากระทบต่อร่างกายได้ แต่ถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือถ้ามีอัตตาหิอัตโนนาโถก็จะสามารถป้องกันสิ่งต่างๆที่จะมากระทบกับใจได้เหตุการณ์ต่างๆจะกระทบได้ก็ที่ร่างกายถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็จะไม่เข้าไปที่ใจถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือ มีตนเองเป็นสาระเป็นที่พึ่งก็จะสามารถป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ต่างๆที่มากระทบกับร่างกายนี้เข้าไปสู่จิตใจได้ก็จะกระทบได้เพียงแต่ร่างกายทําให้ร่างกายเจ็บปวดทําให้ร่างกายตายไปแต่จะไม่สามารถมาทําให้จิตใจนั้นมีความทุกข์มีความเศร้าโศกเสียใจได้ถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสง์ หรือถ้ามีตนเป็นที่พึ่งของตนคือผู้ที่ได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมขั้นต่างๆท่านก็จะกลายเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถไปเป็นที่พึ่งของตนไม่ต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อไปถ้าผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆแล้ว ก็จะมีตนเป็นที่พึ่งของตนต่อไปไม่ต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกแล้วเพราะรู้วิธีที่จะปกป้องรักษาจิตใจให้แข็งแกร่งปลอดภัยจากความทุกข์ต่างๆได้ด้วยตนเองแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องศึกษาจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระอริยสงสาวกต่อไปเหมือนกับร่างกายของพวกเรา ตอนที่ร่างกายยังเล็ ก, ย, ลกยังเป็นเด็กอยู่ก็ต้องอาศัยพ่อแม่เลี้ยงดูแต่พอเราจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วร่างกายสามารถทำอะไรต่างๆได้ด้วยตนเองแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งพ่อแม่ต่อไปเป็นที่พึ่งของตนเองได้นี่คือทางร่างกายทางจิตใจก็แบบเดียวกัน ทางจิตใจถ้าตอนนี้ใจของพวกเรายัางมีความทุกข์ต่างๆเข้ามาเหยียบย่ำทําลายอยู่เรื่อยๆก็แสดงว่าจิตใจของพวกเรานี้ยังเป็นเด็กเป็นทารกอยู่ยังพึ่งตนเองไม่ได้ก็จําเป็นที่จะต้องพึ่งผู้ที่สามารถที่จะช่วยเราได้ผู้ที่จะช่วยเราให้พ้นจากความทุกข์ต่างๆ ที่มีในใจของเราได้นี้ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เองดังนั้นเราจึงต้องเชื่อฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าือเราการถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้คือให้เราเชื่อคําสอนแต่ก็ไม่ได้ให้เราปฏิเสธคําสอนของผู้อื่นคําสอนของผู้อื่นถ้าไม่ขัดกับคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เราก็เชื่อได้เช่นพ่อแม่ก็สอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เร า, เามีความขยันหมั่นเพียรเรียนหนังสือมีความซื่อสัตย์สุจริตคาสอนแบบนี้ก็ถ้าไม่ขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เชื่อได้แต่ถ้าคำสอนเป็นคำสอนที่ขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องเชื่อก็ได้ เช่นพ่อแม่อยากจะให้เรามีครอบครัวอยากให้เราอยู่มีครอบครัวมีสามีมีภรรยามีบุตรมีทิดาแต่เราศึกษาจากพระธรรมคาสอนแล้วเรารู้ว่าการมีครอบครัวนี้มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขการไม่มีครอบครัวการอยู่ตามลาพังจะดีกว่าจะมีความทุกข์น้อยกว่า และจะมีโอกาสได้ศึกษาได้ปฏิบัติให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงเลยดังนั้นถ้าเกิดพ่อแม่อยากจะให้เราแต่งงานอยากให้เรามีครอบครัวอยากให้มีลูกมีเต้าอยากให้เรามีหน้ามีตาทางสังคมแต่ถ้าเราได้ศึกษาคำสอนแล้วเราจะเห็นว่ามันขัดต่อคำสอนของพระพุทธเจา้า พระพุทธเจ้าส่งแสดงไว้ว่าความสุขทางโลกเช่นการมีครอบครัวการมีหน้ามีตามีฐานะการเงินการทองมีตำแหน่งมีอะไรต่างๆนี้มันเป็นความทุกข์มันไม่ได้เป็นความสุขมันมีความสุขแต่มันเป็นความสุขที่เป็นเหมือนเหยือ่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดถ้าปลาไปฮุบ เหยือที่ติดอยู่ปลายเบ็ดแล้วจะต้องถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากจะต้องทุกทรมานมากกว่าความสุขที่ได้จากการไปฮุบเหยื่อฉันใดนี้ก็เป็นอย่างนั้นการมีฐานะการเงินการทองที่ดีมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงมีความสุขกับการมีครอบครัวมีลูกมีเต้ามีอะไรต่างๆ ถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขแต่มันเป็นความสุขที่เป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดมันจะทําให้ผู้ได้รับความสุขเหล่านี้จะต้องเศร้าโศกเสียใจจะต้องทุกทรมานใจต่อไปเพราะสิ่งต่างๆที่ได้มานั้นเป็นของชั่วคราวนั่นเองเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่นอนมีโอกาสที่จะจากเราไปได้เมื่อไหร่ ได้ทุกเวลาเอไม่มีใครห้ามได้ไม่มีใครรับประกันได้ว่าอถ้ามีสิ่งนี้แล้วจะมีจะอยู่กับเราไปตลอดจะให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการพัดภาคจากกันหรือมีการเปลี่ยนแปลงอพอมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัดภาคจากกัน ความสุขที่เคยได้จากสิ่งต่างๆก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันทีความสุขที่ได้จากครอบครัวก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีเมื่อภรรยาหรือสามีเปลี่ยนไปหรือจากไปหรือลูกต้องจากเราไปอะไรทำนองนี้หรือบางคนพอมีครอบครัวแล้วได้ลูกก็ได้ลูกที่ไม่สมบูรณ์ ออกมาก็ไม่สบายตั้งแต่ตั้งแต่คลอดออกมาเลยอันนี้ความสุขที่คิดว่าจะได้ก็กลายเป็นความทุกข์ไปแต่ทางพ่อแม่เราเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนี้เขาจะคิดว่าคนอยู่คนเดียวนี้ไม่มีหน้ามีมตาไม่มีเกียรติไม่มีครอบครัวไม่มีใครเคารกนับถือต้องเป็นคนที่มีครอบครัวมีฐานะแล้วจะได้มีความสุข อยู่คนเดียวมันเหงามันว้าวเวยเขาก็เลยอยากจะให้เรามีความสุขเขาก็เลยคิดว่าเราต้องมีครอบครัวต้องมีฐานะมีการเงินการทองที่ดีเราต้องขวนขวายหาเงินหาทองขวนขวายหาสิ่งต่างๆมาเพื่อให้มีเกียรติมีหน้ามีตาไม่อับอายชาวบ้านเขา นี่เป็นความคิดที่ผิดถ้าพ่อแม่สั่งสอนให้เราทำอย่างนี้ถ้าเรารู้ว่ามันขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราอยากถ้าเราอยากจะถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสัรณะที่พึ่งเราก็ต้องเชื่อไม่ได้คำสอนเหล่านี้เพราะเป็นคำสอนที่จะพาให้เราไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่พาให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ นี่คือการถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะนี่ไม่ได้ห้ามให้เรา เ, เชื่อคนอื่นถ้าคําสั่งคําสอนของคนอื่นนี้ไม่ขัดกับคําสั่งคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็เชื่อได้และก็ไม่ได้ห้ามให้เราแสดงความเคารพกราบไหว้ผู้อื่นถ้า ผู้อื่นเป็นบุคคลที่สมควรแก่การกราบไหว้เคารพก็สามารถกราบไหว้ได้เป่นบุคคลที่มีพระคุณกับเราเช่นบิดามารดาผู้าตาใหญ่ครูบาอาจารย์ที่เราเรียนตามสถานที่ศึกษาต่างๆท่านมีบุญคุณกับเราการที่เราจะแสดงความเคารพกับท่านนี้ก็ไม่เป็นการเสียหายไม่ได้ห้ามอยากจะกราบใครก็ได้ ท้ามก็คืออย่าไปเชื่อคําสอนที่ขัดกับคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นอันนี้คือให้เราเข้าใจว่าการที่เราถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะนั้นทําอย่างไรและเราจะได้อะไรจากการถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเราจะได้อ่า การปกป้องทางจิตใจเราจะไม่ได้รับการปกป้องทางร่างกายทางร่างกายอาจจะได้รับบ้างแต่เป็นเป็นส่วนย่อยไม่ใช่เป็นส่วนใหญ่เช่นถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าร่างกายของเราก็จะดีกว่าผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นคำสอนที่สอนให้เราไม่ดื่มไม่ให้ดื่มสุรายาเมา คนที่ดื่มสุรายาเมากับคนที่ไม่ดื่มนี้จะมีความแตกต่างทางร่างกายคนที่ดื่มสุรายาเมานี่จะทำให้ร่างกายนี้เจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายกว่าและมีอายุที่สั้นกว่าคนที่ไม่ได้ดื่มสุรายาเมาอันนี้ก็เป็นผลที่เราจะได้รับทางร่างกายด้วย ถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะสอนให้เราไม่ทำบาปไม่ฆ่าผู้อื่นถ้าเราไม่ฆ่าผู้อื่นเราก็จะไม่ถูกไปจับขังคุกขังตารางนร่างกายของเราก็ไม่ต้องไปติดคุกนร่างกายของเราก็ยังอยู่นอกคุกได้ถ้าเราไม่ไปทำผิดกฎหมายไปฆ่าผู้อื่นหรือไปลักทรัพย์ของผู้อื่น หรือไปประพฤติผิดประพฤติผิดปะเวณีหรือไปโกหกหลอกลวงถ้าเราไปทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนเขาก็อาจจะมาทำร้ายเราด้ืยอเพราะความอาฆาตพยาบาทความโกรธที่เราไปทำให้เขาและได้รับความเสียหายก็จะมีผลกระทบต่อร่างกายของพวกเรา ถูกเขาตีบ้างถูกเขาทําร้ายบ้างเพราะเราไปทําเขาก่อนแต่ถ้าเราไม่ไปทําร้ายเขาเราก็จะไม่ถูกเขามาทำร้ายเราอันนี้ก็เป็นผลที่เราได้รับเป็นผลพลอยได้ทางร่างกายแต่ผลหลักที่พระองค์ทรงสอนไม่ให้เราทํำบาปนี้ก็เพื่อป้องกันความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นภายในใจนั่นเอง อันนี้เป็นผลหลักคือต้องการคุ้มครองใจของเราไม่ให้ทุกจากการกระทำบาปเพราะการกระทำบาปจะทำให้ใจเราทุกนั่นเองเวลาเราทำบาปแล้วใจเราจะไม่สบายจะมีความรู้สึกหวาดกลัวกลัวจะต้องถูกจับไปลงโทษกลัวจะถูกผู้อื่นเขาดูถูกเหยียดหยามตำหนิดตดเตียน ละนามเสียหน้าเสียตาอันนี้เป็นวิธีป้องกันความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่ทำบาปความทุกข์ใจก็จะไม่เกิดขึ้นจากการกระทาบาปอันนี้คือเป้าหมายของการสอนของพระพุทธเจ้าการสอนของพระอริยสงสาวกนี่สอนเพื่อให้เราไม่สร้างความทุกข์ให้กับใจเรา ด้วยการกระทําที่ไม่ถูกต้องนั่นเองคือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปลดอันนี้จะทำให้เกิดความทุกข์ทางใจตามมาส่วนการดื่มสุรายาเมานี้ก็จะทำให้ใจไม่มีสติคอยควบคุมใจก็จะทำให้การไปทําบาปนี้ง่ายผู้ที่ไม่ได้ดื่มสุรานี้ เวลาคิดจะทำบาปนี้จะมีสติคอยยับยั้งไว้ไม่ให้ไปทำบาปได้แต่ผู้ที่ดื่มสุราแล้วนี่มักจะห้ามจิตใจตนเองไม่ได้เวลาคิดอยากจะทำบาปก็จะทำทันทีนี่คือโทษของการดื่มสุรามีทั้งทางจิตใจและทางร่างกายทางร่างกายก็ทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายมีโรคภัยเบียดเบียน แล้วก็อายุจะสั้นทางจิตใจก็จะทำให้ไม่มีสติคุ้มครองใจสตินี้เป็นธรรมที่สำคัญในการที่จะปกป้องรักษาใจไม่ให้มีความทุกข์ต่างๆเข้ามาทำลายมาลบกวนจิตใจถ้าไม่มีสติก็จะปล่อยให้มีการกระทามที่เสียหายที่เกิดความทุกข์ขึ้นมากับใจนั่นเอง อ น, นี้ก็คือเรื่องของสารณะที่พึ่งทางใจมีไว้สําหรับปกป้องรักษาใจไม่ได้มีไว้ปกป้องรักษาร่างกายร่างกายถึงแม้เราเจะรักษาศีลให้ดีอย่างไรก็ตามทําความดีมากน้อยเพียงไรก็ตามก็ไม่สามารถที่จะไปะยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายได้หรือ ยับยั้งอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆที่อาจจะมากระทบกับร่างกายของเราได้เราต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายการมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ไม่ได้มายับยั้งอุบัติภัยอุบัติเหตุไม่ได้มายับยั้งความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายทุกคนนี้มีสิทธิ์ที่จะ เจอภัยต่างๆทางร่างกายได้เหมือนกันไม่ว่าจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งหรือไม่อันนี้ทางร่างกายเป็นอย่างนี้แต่สาหรับผู้ที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนี้จะมีใจที่ปราศจากความทุกข์ถ้าสามารถปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ครบทุกสัตว์ทุกส่วน เพราะการที่จะป้องกันความทุกข์ทางใจนี้ก็มีอยู่หลายระดับด้วยกันระดับศีลระดับสมาธิระดับปัญญาที่จะทำให้จิตใจเรากำจัดความทุกข์ต่างๆที่เข้ามาลุ่มเล้าจิตใจของพวกเรานี้ให้หมดสิ้นไปได้การรักษาศีลการไม่ทำบาปนี้ก็จะระงับความทุก ได้ส่วนหนึ่งแต่ยังไม่หมดยังมีความทุกข์ที่เกิดจากใจที่คิดไปในทางที่ทำให้เกิดความทุกข์ต่างๆขึ้นมาได้ก็ต้องใช้การปฏิบัติธรรมหรือการบำเพ็ญ จ, จิตตภาวนาที่มีอยู่สองระดับด้วยกันคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถึงจะสามารถกาจัดความทุกข์ต่างๆ ให้หมดสิ้นไปจากใจได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์รักษาศีลก็กำจัดความทุกข์ได้ไปร้อยละยี่สิบร้อยละสามสิบแอีก6 0ส0เจดิบนี้80นี้ยังไม่สามารถกาจัดได้ความทุกข์ที่เกิดจากความคิดปุุงแต่งของใจเองความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆนี้ศีลไม่สามารถที่จะระ ง, งับ กำจัดได้การที่จะระงับกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลง English, ลความทุกข์ที่เกิดจากความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผดถ้ะความทุกข์ที่เกิดจากความอยากมีอยากเป็นและความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี้ศีลไม่สามารถที่จะระงับได้ต้องอาศัยระงับด้วย สมาธิและปัญญาถ้ามีสมาธิถ้าทําสมาธิได้ก็จะระงับความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆได้ชั่วคราวชั่วเวลาที่จิตเข้าสู่ความสงบเวลาจิตเข้าสู่ความสงบความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆก็จะหยุดทํางานพอหยุดทํางาน ความทุกข์ที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงที่เกิดจากความอยากต่างๆก็จะหยุดทำงานก็จะหายไปชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิมาพอเริ่มมารับรู้สิ่งต่างๆรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสปวดทาพระรับรู้เรื่องราบยศสรรเสริญก็จะเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาใหม่ อยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเวลาได้ก็ดีใจเวลาไม่ได้ก็เสียใจเวลาได้มาแล้วเดี๋ยวเวลามันหมดไปความดีใจนั้นก็หมดไปความเสียใจก็เข้ามาแทนที่ถ้าถ้าไม่อยากจะต้องเจอความเสียใจจากการไป ได้ลาบยศสารเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจสอนใจให้เห็นว่าความอยากความโลภได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นลาบยศสารเสริญหรือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นอนิจจังไม่เที่ยงไม่แน่นอนได้มาแล้ว จะต้องไม่ช้าก็เร็วจะต้องมีวันหมดไปเสื่อมไปแล้วถ้าอยากได้แล้วไม่ได้ก็จะเสีย อ, อกเสียใจนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการไปทำตามความโลภทำตามความอยากต่างๆแล้วเวลาทำเวลาอยากได้อะไรถ้าไม่ได้ถ้าถูกคนอื่นเขาแย่งไปก็จะโกรธเขาถ้าทำอยากได้อะไร จากคนนั้นคนนี้แล้วเขาไม่ให้เราเราก็จะโกรธเขาได้ความโกรธก็เกิดจากความอยากความโลภนี่เองความโลภความอยากก็เกิดจากความหลงความไม่รู้ว่าการการไปอยากกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นั้นเป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการไปหาความสุขเป็นเหมือนกับการไปหาเบ็ดเบ็ดมันอยู่เฉยๆเราไปหามันเอง พรเบ็ดมันมีเหยื่อติดอยู่ปลายเบ็ดนิดหน่อยเราก็เห็นเหยื่อก็เลยคิดว่าเป็นอาหารอันโอชะพอไปฮุบเหยื่อถึงจะไปเจอเบ็ดเกี่ยวปากเรายันใดราบยศสัตว์เสริญและรูปเสียงเกลิ่นรสผลทพะที่มีอยู่ในโลกนี้เขาก็อยู่ของเขาอยู่อย่างนั้นเขาไม่ได้มาเรียกร้องให้เราไปหาเขาเลยความหลงของเราต่างหากที่มัน หลอกเราให้ไปหามันเองความหลงก็คือความไปไปคิดเห็นผิดเป็นชอบเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขใจของผู้มีความหลงก็คือผู้ที่ไม่มีปัญญาผู้ที่ไม่เห็นความจริงของลาบยศจรรัลแสญของรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะของสิ่งนั้นสิ่งนี้ของบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ว่ามันเป็นทุกข์ ก ล, กลับไปเห็นว่ามันเป็นสุขอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างพ่อแม่ก็เห็นว่าถ้าเรามีครอบครัวแล้วเราจะมีความสุขอันนี้เป็นความเห็นผิดเพราะความจริงแล้วมีครอบครัวมันทุกกว่าไม่มีครอบครัวแต่เขาไม่มองความทุกข์กันเขามองแต่ความสุขที่ได้จากการมีครอบครัวเขาก็เลยมองไม่เห็นความจริงกัน นี่คือความหลงความหลงจึงทำให้เกิดความโลภความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วพอไม่ได้ก็เกิดความโกรธตามมานี่คือการเกิดขึ้นของกิเลสตัณหาต่างๆเกิดจากความหลงนี่เองเกิดจากความหลงที่มองไม่เห็นว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นั้นมันเป็นความทุกข์ ถึงแม้ว่ามันจะมีความสุขเหมือนก็เป็นเหมือนความสุขที่เคลือบความทุกข์เอาไว้เหมือนน้ําตาลเคลือบยาขมนี่ยน้ำตาลนี้เป็นผิวบางๆเคลือบยาขมเอาไว้เวลาอมใหม่ๆก็รู้สึกหวานดีพอน้ําตาลละลายไปหมดแล้วทีนี้ก็จะเจอกับรสของความขมสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็เป็นในลักษณะแบบ ยาขมเคลือบน้ำตาลหรือเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดนี่เองเอหยื่อนี่มันอร่อยแต่ไปฮุบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดมันก็จะถูกเบ็ดเกี่ยวปากเอาฉันใดถ้าคนไม่ฉลาดก็จะเห็นว่าลามยศสรรเสริญจะเห็นว่ารูปเสียงกล่ดรถนี้เป็นความสุขก็อยากจะได้กันเกิดตันหาความอยากขึ้นมาพออยากก็ต้องไปทาตามความอยาก พอเวลาเกิดความอยากแล้วใจจะมีความรู้สึกไม่มีความสุขตราบใดถ้ายังไม่ได้สิ่งที่อยากได้หรือยังไม่ได้ทำในสิ่งที่อยากทำใจจะมีความกังวลกวายกระสับกระส่ายมีความดิน้ดนรนกินไม่ได้นอนไม่หลับมีอาการลักษณะของคนที่ไม่มีความสุขจึงจาเป็นที่จะต้องไปทาตามความอยาก พอได้ทาตามความอยากหรือได้สิ่งที่อยากได้มาความกังกวลกวายความรู้สึกไม่สบายใจเหล่านั้นก็จะระ ง, งับไปแต่มันระ ง, งับเพียงชั่วคราวเท่านั้นเพราะเดี๋ยวก็จะมีความอยากใหม่โผล่ขึ้นมาอีกอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากจะไปที่นั่นมาที่นี่พอเกิดความอยากใหม่ขึ้นมา ก็อยู่ไม่เป็นสุขอีกต้องไปดิ้นรนต่อนี่คือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาด้วยปัญญาให้เห็นว่าความอยากเองก็ไม่ดีความอยากทำให้ใจเรากระวนกวายกระสับกระส่ายทำให้ใจเราไม่มีความสุขและสิ่งที่เราอยากได้มันก็เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขนิดเดียวมันมีความความทุกข์หุ้ม เอาซ่อนอยู่ข้างหลังเหมือนเบ็ดที่ซ่อนอยู่ภายใต้เหยื่อนั่นเองดังนั้นถ้าเรามีปัญญาเราจะเห็นว่าลาบยศสารเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขเดียวเดียวเป็นความสุขที่เหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดถ้าเราไปฮุบมันแล้วถ้าเราไปติดมันแล้วติดลาบยศสารเสริญ ติดรูปเสียงกิดรถพวดทพะแล้วเราจะต้องวุ่นวายไปกับมันไม่รู้จักจบสิน้นทุกวันนี้ที่พวกเราวุ่นวายใจกันนี้วุ่นวายกับเรื่องอะไรถ้าไม่วุ่นวายไปกับเรื่องลาบยศสร ะ, ะเริญไม่วุ่นวายไปกับการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วไก่นี่คือความทุกข์ต่างๆที่เราเข้าไปหามันเองมันอยู่เฉยๆของมันมันไม่ได้เรียกร้องเรา แต่ที่เราเข้าไปหามันเพราะเราโง่เราไม่ฉลาดเราไม่มีคนสอนเราจึงต้องเข้าหาคนฉลาดคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เองถ้าเราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วท่านจะสอนเราว่าอย่าไปหาความสุขเหล่านั้นออย่าไปหาลาบยศสรรเสริญอย่าไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวเดี๋ยวมันจะต้องหมด พอหมดแล้วมันจะทำให้เราเศร้าทำให้เราหงุดหงิดทำให้เราไม่สบายใจให้เรามาหาความสุขที่เกิดจากการหยุดคิดหยุดอยากจะดีกว่าเวลาอยากก็อย่าไปทำตามความอยากหยุดความอยากด้วยด้วยสติด้วยปัญญาปัญญาก็อย่างที่บอกให้รู้ว่าเป็นความสุขปลอมได้มาแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็ว ก็จะต้องเสีย อ, อกเสียใจจะต้องร้องห่มร้องไห้ให้อยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าการไม่มีอะไรนี่แหละเป็นความสุขที่แท้จริงเพราะเมื่อมีอะไรก็จะไม่มีอะไรที่จะจากเราไปเมื่อไม่มีอะไรจากเราไปก็จะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นการที่เรามีความทุกข์เกิดขึ้นก็เพราะเกิดจากการที่เราสูญเสียสิ่งที่เรามีไปนั่นเองแล้ว ถ้าถ้าเรามีการพลาดพลาคจากกันเราก็จะมีความทุกข์ตามมาถ้าไม่มีอะไรจะพลดพลาคเราก็จะไม่มีความทุกข์นะดังนั้นพยายามอยู่แบบไม่มีอะไรจะดีกว่าอยู่ไม่มีอะไรได้ก็ต้องทำใจให้สงบทำใจให้ไม่ให้หยุดความอยากการที่จะหยุดความอยากก็ต้องฝึกสติ เพราะมีสติเท่านั้นที่จะหยุดความคิดหยุดความอยากของใจได้ปัญญาเป็นเพียงแต่สอนให้รู้ว่าทำไมไม่ควรทำตามความอยากแต่ปัญญาเองลําพังจะไม่สามารถหยุดความอยากได้เช่นตอนนี้พวกเราก็ได้เรียนรู้กันมามาก พ, าพอสมควรแล้วรู้ว่าความอยากนี่เป็นตัวที่ทำให้ใจเราวุ่นวายทำให้ใจเราทุกข์กัน แต่ความรู้นี้มันไม่เพียงพอที่จะหยุดความอยากได้ถ้าหยุดได้พวกเราก็ดุดพ้นจากความทุกข์กันไปหมดแล้วด้วยการฟังธรรมเพียงอย่างเดียวแต่การฟังธรรมเพียงอย่างเดียวของพวกเรานี้มันไม่สามารถหยุดความทุกข์ได้เพราะเราขาดสติขาดตัวที่จะมาหยุดความอยากนั่นเองเรารู้ว่าความอยากไม่ดีเราเรารู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้มันจะ ต, ต้อง หมดไปจะต้องจากเราไปแต่เราก็ห้ามใจเราไม่ให้ไปอยากได้ไม่ได้เราก็ยังอยากได้อยู่การที่เราต้องการจะให้ความอยากได้นี้หยุดไปเราต้องใช้สติเท่านั้นเราต้องมีสติมาหยุดความคิดความอยากถ้าเราหยุดความคิดได้ความอยากมันก็จะหยุดตามเพราะความอยากนี้มันอาศัยความคิดเป็นตัวนำ พอเราคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ความอยากได้าสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นมาถ้าเราไม่คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ความอยากมันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ดังนั้นเป้าหมายในการที่จะหยุดความอยากก็คือต้องมาหยุดความคิดการจะหยุดความคิดก็ต้องใช้สติถ้าไม่มีสติก็ต้องสร้างสติขึ้นมาถ้าเราคิดแล้วเราอยากให้มันหยุดคิดแล้วมันไม่หยุดก็แสดงว่าเราไม่มีสติ ยังคิดอยู่อย่างนั้นเราก็ต้องมาสร้างสติวิธีสร้างสติก็ต้องใช้กรรมฐานเป็นอารมณ์กรรมฐานคืออารมณ์ที่เราจะมาใช้สร้างสติกันกรรมฐานนี่มีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกันที่เราสามารถเลือกเอามาใช้หยุดความคิดได้แล้วแต่ว่าอันไหนจะเหมาะกับโอกาสเหมาะกับเหตุการณ์ บางครั้งเราก็ต้องใช้กรรมฐานแบบนี้บางครั้งเราก็ต้องใช้กรรมฐานแบบนั้นแล้วแต่สภาพเหตุการณ์ที่เราประสบเช่นกรรมฐานนี้มีหลายอย่างเช่นความเมตตานี่ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งกามเมตตานี้ก็จะเหมาะกับการเวลาที่เราเกิดความโกรธเวลาเกิดความโกรธใจเราไม่สงบใจเราฟุ้งใจเราอยากที่จะทํร้ายผู้อื่น เเราก็ต้องใช้ความเมตตามาดับใช้ความเมตตาให้อภัยว่าอไม่จองเวรจองกรรมกันเพราะการจองเวรจองกรรมนี้ไม่ระงับเวรไม่ระงับกรรมกลับเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมให้มีมากขึ้นไปถ้าเราไปทําร้ายเขาเดี๋ยวเขาก็จะต้องกลับมาทําร้ายเราหนักกว่าเราที่เราทําร้ายเขาพอเขามาทําร้ายเราหนักกว่าเราก็จะกลับไปทําร้ายเขาหนักกว่า เดี๋ยวก็จะกลายเป็นการฆ่าฝันกันได้ถ้ามองด้วยปัญญามองด้วยความเมตตก็สู้ให้อภัยกันดีกว่าถือว่าเป็นการายกโทษหรือว่าเป็นการใช้หนี้ไปก็แล้วกันเราอาจจะไปทำอะไรเข้ามาก่อนจึงทำให้เขาโกรธเขาจึงมาทำเราพอเขามาทำแล้วเราเราก็อยากไปกลับอยากกลับไปทำเขา ถ้าเราไม่กลับไปทำเขาเขาก็จะไม่กลับมาทำเราเรื่องก็จะจบลงได้ใจก็จะกลับสู่ความสงบได้นีน่อันนี้เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งการแผ่เมตตาคือการให้อภัยไม่จองเวรจองกรรมกันเวลามีเหตุการณ์ที่ทำให้เราโกรธหรือเกลียดใครขึ้นมาเราสามารถลังนับความโกรธความเกลียดความอยากที่จะทาร้ายผู้อื่นได้ด้วยการ ให้อภัยกันไม่จองเวรกรรัรอันนี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งที่จะระ ง, งับความความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจถ้าเราไม่มีเหตุการณ์อะไรใจเราชอบคิดเรื่อยเปื่อยเราก็ต้องใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยเพราะเดี๋ยวคิดไปแล้วก็จะเกิดความอยากขึ้นมาเกิดความโกรธขึ้นมาได้คิดถึงสิ่งที่เราอยากได้ก็ ก็เกิดความอยากขึ้นมาคิดถึงสิ่งที่เราไม่ชอบก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาได้ยั้นเราอย่าให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยให้คิดในเรื่องที่จําเป็นต้องคิดเช่นเรื่องการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหรือมีหน้าที่การงานอะไรก็คิดไปกับหน้าที่การงานได้แต่อย่าปล่อยให้คิดเรื่อยเปื่อยพยายามหยุดความคิดเรื่อยเปื่อยความคิดเพ้อฝันความคิดฟุ้งซ่านต่างๆ ด้วยการใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปเราก็จะสามารถควบคุมความคิดได้แล้วถ้าเราต้องการให้ใจนิ่งสงบให้เกิดความสุขจริงๆเราก็ต้องหาเวลาว่างเรามานั่งเฉยๆหาที่เงียบสงบไม่มีอะไรมารบกวนใจพอเรานั่งแล้วเราจะใช้คำบริกรรมต่อไปก็ได้เพื่อหยุดความคิด หรือเราจะเปลี่ยนมาใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ได้แล้วแต่อันไหนเราจะถนัดที่เราชอบในตอนนั้นเราก็ใช้อันนั้นแทนกันได้ใช้พุโทโธก็ได้ถ้าเมื่อเราไม่อยากจะพุโทโธเราอยากจะดูลมหายใจเฉยๆก็ดูลมหายใจเฉยๆไปก็ได้ถ้าเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปเราจะมีสติหยุดความคิดได้หยุดความอยากได้ ทำใจให้สงบให้มีความสุขได้พอใจเราสงบมีความสุขจากความสงบแล้วเราก็จะไม่อยากได้อะไรพอจะอยากได้อะไรเราก็ใช้ปัญญามาเตือนมาสอนใจมาห้ามใจว่าอย่าไปอยากอยากไปทําตามความอยากความสุขที่ได้จากการทําตามความอยากสู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้แล้วนอกจากสู้ความสุข จากความสงบไม่ได้แล้วยังมีความทุกข์แทม้มาด้วยถ้าไปได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวก็จะต้องมีการพัดภากจากกันแล้วก็จะต้องมีการเสียอกเสียใจมีความทุกข์ใจตามมาต่อไปนี่คือวิธีการที่พระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวบกและพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะสอนให้พวกเรามากำจัดความทุกข์ต่าง ที่เกิดจากความอยากของเรานี่เองเกิดจากความโลภเกิดจากความอยากเกิดจากความโกรธเกิดจากความหลงที่เราสามารถที่จะใช้วิธีที่พระเจ้าได้ทรงใช้มากำจัดก็คือศีลสมาธิปัญญานี้เองถ้าเราสามารถปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาได้ครบบริบูรณ์เราก็จะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดขึ้นไปจากใจได้ พอเรากำจัดความทุกข์ได้หมดแล้วเราก็จะเป็นที่พึ่งของเราเองได้เราก็ไม่ต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปเพราะเรารู้จักวิธีกำจัดความทุกข์ได้ด้วยตนเองเราก็พึ่งตัวเราต่อไปเวลาเกิดความอยากเราก็จะหยุดมันได้เวลาใจไม่สงบเราก็ทำให้มันสงบได้เราก็จะเป็นที่พึ่งของเราและเราก็จะเป็นที่พึ่งของผู้อื่นต่อไปคือเราก็จะสามารถ สอนผู้อื่นที่เขายังถูกความทุกข์รุมเลราให้ให้ความทุกข์เหล่านั้นหมดสิ้นไปจากใจของเขาได้ น, น, นี่ก็คือเรื่องที่พึ่งทางใจสองชนิดด้วยกันชนิดแรกก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธังธรรมังสังขังสระนะามกัจฉามิที่พึ่งอันที่สองก็คืออัตตาหิอัตโนนาโธการที่จะ เป็นที่พึ่งของตนได้ก็ต้องอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก่อนเพราะถ้าเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่รู้จักวิธีทำตัวเราเองให้เป็นที่พึ่งของเราได้นั่นเอง น, นี่คือที่มาว่าทำไมเราจึงต้องมีที่พึ่งสองสองชนิดด้วยกันคือมีพุทธทางธรรมังสังขังสระนังกัจฉามิและมีอัตตาหิอัตโนนาโทไม่ขัดกัน ที่พึ่งสองระดับระดับแรกแล้วระดับปลายระดับต้นแล้วระดับปลายเหมือนกับร่างกายตอนต้นก็ต้องพึ่งพ่อแม่พึ่งผู้หลักผู้ใหญ่พอเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็พึ่งตนเองได้ก็ขอให้ท่านจงนําเอาธรรมที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิิษฐ์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อสร้างที่พึ่งทางใจ เพื่อให้ใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาริวาหาบุราปาริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุ ป, ปกักปติ อิชิตังปะทิตังตุมหังคิป้เมวะสมิจจตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธาเมณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวาจจันตุสัพพะโรโควินาสตุ มาเตผวะตวันตราโยสุขีทีขาโยโกผวะอภิวาธนศีลิสานิจังวุทฒาปจายิโนจตารโอธรรมวาทันติอายุวโนสุขังภาลัง ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าอยากจะถามเองก็ขึ้นมาที่ศาลามีไมโครโฟนให้ถามได้ถ้าไม่อยากจะถามอยากจะเขียนเป็นข้อความใส่กระดาษส่งเข้ามาก็ได้เราจะมีผู้อ่านให้ฟังสามารถถามได้ในสองรูปแบบนี้ แต่พอเลิกแล้วก็ขออนุ ญ, ญาตงดการถามเอาแค่ตอนที่เรายัางประชุมกันอยู่ตอนนี้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ครับผมวันนี้ทางเฟซบุ๊กทั้งหมด310คน y o ย t u b บ155คนวิทยุออนไลน์34คนผู้รับฟังบนเขา148คนรวมทั้งหมด647คนครับผม ถ้ามีคำถามก็เชิญอ่านได้เลยคำถามจากคุณชูชูค่ะเมื่อเรานั่งสมาธิแล้วใจเรานิ่งไม่มีอารมณ์ปรุงแต่งแล้วปัญญาเกิดขึ้นตอนไหนคะก็ตอนที่เราออกจากสมาธิออกจากสมาธิแล้วเราก็มาใช้ความคิดพิจารณาความจริงของสิ่งต่างๆในโลกนี้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ มันไม่ใช่ของเราแล้วเราก็จะได้ปัญญาถ้าเราไม่คิดเราก็จะไม่รู้เราก็จะคิดว่ามันเที่ยงมันเป็นสุขมันเป็นของเราถ้าเรามีความคิดว่ามันเที่ยงมันเป็นความสุขมันเป็นของเราก็แสดงว่าเรากำลังหลงเราไม่มีปัญญา <ír desses> ถ้ามีปัญญาแล้วเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ไม่ได้เป็นของเราอย่าง แ, แท้จริง ไม่ได้ให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวจะต้องให้ความทุกข์กับเราไม่ช้าก็เร็วเพราะมันเป็นของที่ไม่แน่นอนไม่เที่ยงแท้แน่นอนนี่คือปัญญาต้องเอามาคิดตอนที่ออกจากสมาธิแล้วคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะข้อหนึ่งพระที่สูบบุหรี่สุบยาเส้นถือว่าผิดศีลไหมเจ้าคะอ๋อไม่ผิดหรอกเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในศีลค่ะ เพงแต่ว่าถ้าสูบบ้างๆมันก็เป็นอันตรายกับคนสูบเท่านั้นเองทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคภัยต่างๆขึ้นมาแต่ไม่ได้ไปทำความเสียหายให้แก่ผู้อื่นไม่เหมือนกับการดื่มสุราดื่มสุราแล้วเมาก็ไปท้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นได้ขับรถก็อาจจะไปชนคนตายได้ แต่สูบบุหรีนี้ไม่ได้ไปทาความเสียหายให้กับผู้อื่นจึงไม่เป็นบาปแต่อาจจะทำความเสียหายให้กับตนอันนี้ก็ถือว่าเป็นความโง่ไม่ฉลาดอยู่ดีๆก็เอาของเป็นพิษเป็นภัยมาทำร้ายตัวเองเอาควันพิษมาใส่ตนเองแต่ถ้าสูบพอประมาณก็ไม่มีพิษอันตรายต่อร่างกายก็สูบได้ถ้าอยากจะสูบ ข้อสองค่ะเมื่อสองสาวันก่อนหนูได้พาแม่ไปโรงพยาบาลซึ่งก่อนไปจิตใจหนูก็ค่อนข้างเข้มแข็งพอสมควรแต่พอไปเจอผู้คนในโรงพยาบาลทั้งคนเจ็บป่วยเจ็บหนักนอนติดเตียงคนไข้ที่ไม่มีคนเฝ้าจิตใจที่เข้มแข็งเลยหดหู่และจิตตกมากค่ะตั้งใจจะวางจิตเป็นอุเบกขานึกถึงความไม่เที่ยงต่างๆปรากฏว่าทาไม่ได้เลย ขอสอบถามพระอาจารย์ว่าเราจะปรับจิตยอย่างไรให้กลับคืนสุขปกติได้คะออเราก็ต้องไปฝึกทำสมาธิให้มากๆสมาธิเรามีน้อยพอเราไปเจอภาพไปเจอสิ่งที่เราไม่ถูกใจเรามันก็ทาให้ใจเราเสียได้แต่ถ้าเรามีสมาธิใจเราก็จะไม่เสียงั้นเราต้องไปฝึกสติแล้วไปนั่งสมาธิบ่อยๆ เหมือนกับคนที่เมื่อกี้ถามว่านั่งสมาธิเฉยๆไม่เกิดปัญญาแต่ต้องต้องมีสมาธิก่อนถึงจะไปดูความจริงได้ไปดูความแก่ความเจ็บความตายได้โดยที่จะไม่เกิดความรู้สึกขดหดหูใจถ้าไม่มีสมาธินี้ดูไม่ได้ดูแล้วมันใจมันมันเสียมันหดหู เังน้นต้องฝึกสมาธิก่อนให้ใจนิ่งให้สงบได้มากๆได้นานนใจจะแข็งมีอุเบกขามากแล้วเวลาไปเห็นความจริงคือปัญญาเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายใจก็จะไม่หดหูใจก็จะจดเอาจําไว้ในใจว่านี่แหละต่อไปร่างกายจะต้องเป็นอย่างนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย การพิจารณานี้เพื่อสอนใจไม่ให้หลงไม่ให้ลึงความจริงที่จะต้องเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนั่นเองคำถามจากคุณเปิ้ลค่ะหนูดูแลแม่ที่เป็นอัมพาตมา17ปีอาบน้ำป้อนข้าวพูดคุยกับคุณแม่ตั้งแต่นั่งรถเข็ น, นจนตอนนี้เริ่มนอนติดเตียงไม่ค่อยรู้สึกตัวเท่าไหร่จนเริ่มทำใจกับการจากไป แต่ตอนนี้แม่เริ่มร้องไห้เหมือนเจ็บปวดหนูไม่รู้จะช่วยอย่างไรได้แต่มองแม่อย่างเวทนาและสงสารมันทรมานใจเหลือเกินค่ะหนูจะผ่านมันไปได้อย่างไงคะก็คิดว่าเป็นกรรมของแม่ก็แล้วกันที่ตอนเป็นสาวตอนที่มีกําลังวังชาไม่สนใจที่จะศึกษาเข้าหาพระพุพะทธธรรมประสงค์ถ้าเข้าหาพระพุพะทธธรรมประสงค์ตั้งแต่ตอนเป็นสาว ก็จะรู้จักวิธีควบคุมใจไม่ให้ทุกข์ไม่ให้ล้องอวดควรคลางกับความเจ็บปวดของร่างกายได้ก็ไม่มีใครทำอะไรเขาจะช่วยเขาได้เพราะมันเป็ น, เ, ป น, เ, ป น, เ, ปนเรื่องที่อัตตาหิอัตโนนาเถเป็นเรื่องของพุทธังธรรมสังฆังสา ะ, ะนางังกัจฉามิเราอย่างมากก็มีธรรมะ ก, ก็เปิดให้เขาฟังถ้าเขาอยากฟังก็จะได้ไประโยชน์ ถ้าเขาไม่อยากฟังก็จะไม่เกิดประโยชน์เพระฉะั้นมันอาจจะเป็นถึงคราวที่มันสายเกินแก้แล้วก็ได้สิ่งเดียวที่เราทําเพื่อให้ใจเราไม่ทุกข์ก็คือเราต้องคิดว่าเป็นกรรมของเขาเราช่วยอะไรเขาไม่ได้เราอยากจะให้เขาไม่ทุกข์ไม่ทรมานแต่เราก็ทําอะไรไม่ได้เพราะเขาไม่ทําเองเรื่องการรักษาใจนี้ต้อง ใจใครใจมันจะต้องรู้จักรักษาด้วยตนเองคำถามจากคุณแพค่ะจิตสงบกับจิตรวมต่างกันอย่างไรคะก็อันเดียวกันนะจิตรวมจิตรวมนี้จะสงบเต็มที่จิตสงบนี้อาจจะยังไม่รวมก็ได้คือยังไม่สงบเต็มที่เหมือนพระจันร์ยังไม่เต็มดวงพระจันทร์เต็มดวงกับพระจันาร์ไม่เต็มดวง เวลานั่งสมาธิก็จะเริ่มสงบแต่ยังไม่สงบเต็มที่ถ้าสงบเต็มที่จิตก็จะรวมคือจิตจะรวมเป็นหนึ่งไม่ไปยุ่งกับรูปเสียงกลิ่นรสไม่ไปยุ่งกับร่างกายแต่ตอนที่ยังไม่รวมยังแบบครึ่งคึ่งกลางๆอยู่ออกจากร่างกายออกจากรูปเสียงกลิ่นรสแต่ยังออกไม่หมดนยังติดค้างอยู่ยังคิดอยู่แต่พอหยุดคิดหยุดทุกอะไรทุกอย่างมันก็จะรวมเป็นหนึ่งขึ้นมา มันก็จะสงบเต็มที่เป็นเหมือนดวงจันทร์ก็เต็มดวงสว่างเต็มดวงคําถามจากคุณสิริพริยาค่ะอยากได้ความสุขจากการปฏิบัติเร็วๆมีวิธีไหมคะก็ไปบวชเลยสิไปบวชนะ่ะวิธีเร็วที่สุด น, นคําถามจากคุณชลิตค่ะเหตุใดเรารู้จักเลือกมองสิ่งที่ชอบ เลือกฟังเลือกดมเลือกชิมเลือกสัมผัสในสิ่งที่ชอบแต่ใจยังไม่คิดเลือกใจไม่คิดเลือกแล้วใครเลือกอ่ก็ใจนี่แหละเป็นผู้เลือกเป็นผู้คิดเนี่ยเขาถามอาไรนายไอมาเนี่เขาเขาถามว่าเหตุใดเราจึงรู้จักมองฟังดมชิมสัมผัสในสิ่งที่ชอบแต่ใจไม่ได้เลือกในสิ่งที่ชอบไม่เข้าใจความหมาย ลองถามมาใ ห, หม่สิคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะถ้าเราถวายสังฆทานที่มีอาหารในเวลาที่เลยเที่ยงไปแล้วแต่อาหารที่เราถวายเป็นพวกอาหารกึ่งสําเร็จรูปอาหารแห้งซึ่งพระไม่สามารถรับประทานได้ในตอนนั้นถือว่าผิดไหมเจ้าคะถ้าเรารู้จักถวายก็ไม่ผิดคือเราแยากของที่เป็นอาหารออกถวายด้วยวาจาวาง อย่าให้พระท่านรับกับมือบอกว่าขอถวายอาหารนี้ไว้ให้ท่านจัดการไว้ในในโอกาสอันสมควรอย่าให้พระรับกับมือถ้ารับกับมือนี่ถือว่าให้ให้ฉันในตอนนั้นท่านฉันไม่ได้ฉันรับไม่ได้ตอนนั้นแต่รับด้วยการให้เราแจ้งให้ท่านทราบว่านี่เป็นอาหารขอถวายให้กับท่านแล้วแต่ท่านจะเห็นสมควรไม่ต้อง ถวายกับมือแยกออกวางไว้เฉยๆวางไว้ต่อหน้าท่านก็ได้อย่างของที่มาถวายที่นี่เราจึงมักจะไม่รับกับมือไงเพราะว่ามันมีของหลายอย่างที่รับกับมือไม่ได้ก็เลยบอกให้วางวางไว้แล้วเดี๋ยวเวลาถ้าต้องการเมื่อไหร่ก็มีลูกศิษย์จัดการให้ประเคนให้ทีหลังได้แต่ถ้าเป็นอาหารถ้รับตอนนี้แล้วก็ต้องสละไปเอามารับประทานไม่ได้ถึงแม้พรุ่งนี้ ไม่มีอาหารก็เอาอาหารที่โยมถวายวันนี้เอามาฉันไม่ได้เพราะต้องสละไปถ้าอยากจะเอามาฉันในวันพรุ่งนี้ก็ต้องไม่รับกับมือให้วางไว้ฝากลูกศิษย์ไว้ฝากที่เก็บไว้ที่วัดจะมีที่เก็บและเวลาต้องการอาหารเหล่านั้นก็สั่งให้ลูกศิษย์ไปเอามาถวายได้คำถามจากคุณวิราวันค่ะ เวลาเราจะกราบพระไหว้พระสวดมนต์ในทุกวันแต่สถานที่ที่เราอยู่ไม่มีโต๊ะหมู่บูชาไม่มีพระพุทธซึ่งแทนพระพุทธเจ้าอย่างนี้เรากราบตรงหมอนก่อนนอนและสวดมนต์แต่จิตเราน้อมกราบระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แทนได้ไหมเจ้าคะได้เพราะการกราบที่แท้จริงก็กราบถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในใจเรานี่เอง คือเราเลิกถึงพระคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังกคุณเราไม่ได้กราบพระพุทธรูปพระพุทธรูปนี้กราบไปก็ไม่มีความหมายอะไรถ้าเรากราบเฉยๆเราก็ไม่รู้ว่าเรากลาบอะไรแล้เรากลาวเราต้องรู้ว่าเรากําลังกราบพระอาราหาันต์ตัวรษสัมมาสัมพุทธพระอาราหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตัดสืบธรรมโดยชอบผู้เป็นผู้รู้โลกรูกาวิจิอะไรทํานองนี้ อันนี้เป็นการกลาเพื่อเป็นการลำลกให้เราไม่หลงไม่ลืมในสิ่งที่มีคุณค่ามีวิเศษต่อจิตต่อจิตใจของพวกเรานั่นเองคำถามจากคุณเฟิร์นค่ะเป็นโรคซึมเศร้าพออาการอัมเรบกําเรบก็ภาวนาไม่ได้เลยเลยไม่ไปถึงไหนสักทีขอคำแนะนำด้วยเจ้าค่ะก็เวลาที่เราไม่ซึมเศร้าก็พยายามฝึกสติให้มากๆให้บ่อยๆ แล้วต่อไปเวลาจะเกิดอาการซึมเศร้าเราก็ระ ง, งับมันได้ด้วยการเจริญสติพุโทโธพุโทโธไปถ้าเราพุโทโธไม่เป็นเราก็จะปล่อยให้ใจซึมเศร้าไปถ้าเราพุโทโธเป็นพอเราจะรู้ว่าจะเริ่มซึมเศร้าเราก็พุโทโธพุโทโธหยุดมันได้คําถามจากคุณฉลองค่ะหลวงพ่อช่วยอธิบายสังโยสสามที่เป็นคุณสมบัติของพระอริยะขั้นโสดาบันสําหรับครารวาส ด, ด้วยครับ คือสังโยชน์ข้อที่หนึ่งก็คือสากายทิฏฐิคือความเห็นผิดเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราทุกคนเห็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเหมือนสมัยก่อนทุกคนเห็นว่าโลกนี้แบนใช่ไหยแล้วโลกมันแบนหรือเปล่าไม่แบนแล้วเราถ้าทางานถึงจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็ต้องดูที่มาที่มันที่มาที่ไปของมันสมันมาจากที่ไหนอ่ เรามันมาจากที่ไหนมันมาจากพ่อจากแม่มาจากดินน้ำลมไฟของพ่อแม่มาผสมกันก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาพ่อออกจากร่างกายมาเราก็เติมดินน้ำลมไฟเข้าไปข้าวนี่ก็เป็นดินน้ำก็ที่ดื่มก็เป็นน้ำลมหายใจก็เป็นลมไฟก็คือความร้อนที่เราได้รับจากแสงพระอาทิตย์นี่มันก็มาทำให้เกิดร่างกายเกิดอาการสาสิบสอง แล้วเวลามันตายไปมันก็กลับคืนสู่ดินน้ำหน่มไฟเราอยู่ตรงไหนในร่างกายนี้ไม่มีเราเป็นเพียงที่ผู้ที่มารับรู้มาใช้ร่างกายนี้เท่านั้นเองเป็นเหมือนเราได้รับของขวัญจากพ่อแม่พ่อแม่สร้างตุ๊กตาคือร่างกายนี้แล้วให้เรามาเล่นเท่านั้นเองเราก็ร่างกายนี้มาเล่นเอามาวิง่งเอามาเที่ยว ม, ม, มาเตะมาอะไรต่างๆเราเป็นผู้รู้ผู้คิด ผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเราไม่ได้อยู่ในร่างกายอันนี้ให้พิจารณาแบบนี้แล้วต่อไปเราก็จะเห็นชัดว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะได้ไม่ไปยึดไปถือไม่ไปรักไปห่วงไปห่วงเพราะความรักความห่วงร่างกายนี้จะทำให้เราทุกข์เพราะว่าร่างกายจะต้องมีวันจบมีวันดับแต่ถ้าเราลักเราห่วงแล้วเราจะอยากไม่ให้มันดับ ความอยากที่ทำให้เราอยากไม่ให้มันดับนี่มันจะสร้างความทุกข์ให้กับใจแต่พอถ้าเราอยากจะดับความทุกข์นี้เราก็ต้องมองให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราตอนเราเห็นแล้วเราก็จะปล่อยให้มันดับไปพอเราปล่อยมันได้เราก็หายทุกข์การหายทุกข์ก็จะทำให้เราเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากให้ร่างกายไม่ดับ แต่ความจริงร่างกายมันเป็นของที่จะต้องดับถ้าเรายอมรับยอมตามให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงเราก็จะไม่ทุกข์คือปล่อยให้มันดับไปเราก็จะเห็นอริยสัจสี่เห็ น, เ ห, นเห็นทุกข์สมุทัยที่เกิดจากความอยากให้ร่างกายไม่ดับเห็นมากคือเห็นความจริงว่าร่างกายมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเราของเรา มันตายมันก็ไม่ทําให้เราตายไปด้วยแล้วก็ไปทุกข์กับมันทําไมเนี่ยมันจะเห็นอย่างนี้อันนี้ก็จะละสังโยชน์ข้อที่สองได้มีดวงตาเห็นธรรมถ้าเห็นธรรมก็จะรู้ว่าธรรมนี้เป็นของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนนั่นเองก็จะไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าไม่สงสัยในพระธรรมคําสอนไม่สงสัยในพระอริยเพราะผู้ที่เป็นอริยะก็คือเรานี่แหละ เราผู้เห็นทำผู้ ด, ดับความทุกข์ได้ด้วยการเห็นอริยสัจสี่เราก็จะไม่สงสัยในพระพุทธธรรมประสงค์ละสังโยชน์ข้อที่สองได้พร้อมๆ ก, กับการละสังโยชน์ข้อที่หนึ่งแล้วก็จะละสังโยชน์ข้อที่สามคือสีละพะตาปรมาตยคือการคือการที่หลงงม ง, ง, งายกับการใช้พิธีกรรมต่างๆมาดับความทุกข์ใจก็เราจะรู้ว่าความทุกข์ใจเหล่านี้เกิดจาก ความอยากของเราเกิดจากการทำบาปของเราเท่านั้นเองถ้าเราไม่ทำบาปเราไม่มีความอยากกับสิ่งต่างๆเราก็จะไม่ทุกข์ใจที่เราทุกข์ใจเพราะบางทีเรามีเงินแล้ว เ, เงินหมดเราก็ทุกข์ใจแล้วก็อยากจะให้มันมาเราก็ไปหาหมอดูหมอบอกถ้าอยากจะให้เงินมาก็ต้องทำพิธีนั่นทำพิธีนีอบูชาลาหุนบ้างทำอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเงินก็จะมา อันนี้ยังแสดงว่ายัางไม่เห็นธรรมยังไม่รู้ว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากถ้าอยากให้ความทุกข์นี้หายก็อยากไปอยากให้มันมีเงินมาก็แล้วกันมันจะมาก็มามันไม่มาก็ช่วยไม่ได้ใจก็จะไม่ทุกข์แต่เราอยากจะหายทุกข์ก็เลยต้องไปหาทาพิธีประกอบพิธีต่างๆที่หมอหมอดูเขาแนะนาให้ทำ แล้วทำแล้วเราก็รู้สึกโอ้สบายใจขึ้นเดี๋ยวเราจะรวยแล้วเดี๋ยวเงินทองจะมาแล้วแต่มันจะมาหรือไม่มาก็ไม่รู้อีกครพอไม่มาก็ทุกขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเราหยุดความอยากรวยได้หยุดความอยากให้เงินทองมาได้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันมันจะมาหรือไม่มามันก็จะไม่ทุกข์แล้วเราจะมาแก้ปัญหาของเราแก้ความทุกข์ของเราด้วยการมาหยุดความอยากด้วยการไม่ไปทาบาปนี่คือศีลพัตตปรมา เราจะไม่เราจะไม่ไปไปทำพิธีกรรมต่า ง, า ง, างๆเพื่อมาระงับความทุกข์ใจของเราเราจะระงับความทุกข์ใจด้วยการรงับการทาบาปรงับการการอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราพระโสดาบันก็จะไม่เป็นคนที่จะไปทำพิธีอะไรต่างๆสะดะาะเคราะห์ต่างๆเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเลือไป ย้ายบ้านย้ายช่องอะไรต่างๆทําทพิธีอะไรต่างๆเพื่อจะมาบําบัดความทุกข์ความซวยต่างๆนี้ท่านจะบําบัดด้วยการกําจัดความอยากบํา บ, บัดด้วยการไม่ทําความบาปไม่การกระทําบาปนี่คือพระโสดาบันท่านไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านไม่ยึดติดกับร่างกายเพราะรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ไม่ใช่ตัวท่านไปยึดติดกับมันแล้วจะทําให้ใจท่านทุกข์ท่านก็ไม่ยึดติด ท่าก็ตายอย่างสบายเจ็บอย่างสบายอแก่อย่างสบายไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี่คือสังโยชน์สามข้อไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเป็นคารวะหรือพระก็ต้องละมันให้ได้ด้วยการเจริญสติสมาธิและปัญญาถึงจะทำได้การฟังเฉยๆอย่างนี้ยังไม่เข้าไปถึงใจเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวพอมแมลงมาก่อหน่อยก็ตกมันพวกละ พอจอยุงจะงูขึ้นมาก็ตกใจแล้วอันนี้เพราะว่ายัางไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเดี๋ยวาร่างกายจะถูกงูกัดเราจะตายขึ้นมาแต่ถ้าเป็นโสดาบันเนี่จะรู้ว่าไม่กลัวเฉยๆแต่ก็ไม่ประมาทก็ไม่เข้าใกล้ถ้าไม่จำเป็นเข้าใกล้ก็ไม่เข้าใกล้แต่ไม่มีความหวาดกลัวต่อสิ่งที่เห็นไม่กลัวกลัวกับผลที่จะเกิดถ้าถูกมันกัด กัดก็กัดตายก็ตายเป็นเรื่องธรรมดาคำถามจากคุณชลิตอีกครั้งค่ะเหตุใดเรารู้จักเลือกมองสิ่งที่ชอบเลือกฟังสิ่งที่ชอบเลือกดมเลือกชิมเลือกสัมผัสสิ่งที่ชอบแต่ใจเรายังคุ้นคลิดแต่ใจเรายังคุ้นคิดถึงสิ่งที่ไม่ชอบออมันมันชอบกไม่ชอบมันมาด้วยกันไง ว่ามันต้องมีของเปรียบเทียบทาไมถ้ามันมีของไม่เปรียบเทียบมันก็จะมันก็จะไม่สามารถเรียกว่าชอบหรือไม่ชอบได้การชอบกับการไม่ชอบมันมีของมาเปรียบเทียบชอบเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ไม่ชอบเพราะามันเป็นอย่างนั้นเท่านั้นเองคำถามจากคุณคิดดีค่ะฟังธรรมจากพระอาจารย์เสร็จช่วงพระอาจารย์ให้พร นั่งน้อมจิตรับพรจากพระอาจารย์แล้วน้ําตาไหลจากนั้นรู้สึกโล่งเกิดจากอะไรคะก็จากรามากเนี่ยก็จากความรู้สึกนึกคิดของเราเราอินไปกับบทสวดมนต์บทให้พรนั่นเองเหมือนอยดน่ดูหนังไหมดูหนังบางทีก็น้ําตาไหลบางทีก็ดีใจไปกับหนังที่ดูเนี่ยใจเรามันเกล่กับ เขาเรีกว่าเข้าเข้าไปมีอารมณ์กับสิ่งที่เราได้รับรู้มันก็เลยเกิดอารมณ์ขึ้นมาในใจค่ะคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะอยากเลิกกับแฟนเพราะรู้ว่าการมีแฟนมันทุกข์ถ้าบอกเลิกกลัวเขาจะเสียใจต้องทำอย่างไรดีครับอย่าอาบน้ารักษามันนะอย่าอาบน้าอย่าแปรงฟันอย่าวีผ้าวีผม ทำตัวให้เป็นเหมือนคนบ้าเดี่ยวเข้าเข้าไปหรือบอกเขาว่าติดเอดคำถามต่อนเนื่องจากผู้ที่ถามว่าการนั่งสมาธิแล้ว อ, อให้เกิดปัญญาเกิดขึ้นตอนไหนคะ่ะคำถามแรกแล้วพระอาจารย์ตอบว่าให้ออกจากสมาธิก่อน ก็เลยถามว่าการออกจากสมาธิก่อนหมายถึงเราไม่ได้นั่งสมาธิต่อใช่ไหมเจ้าคะคือการนั่งเฉยๆหรือเปล่าคะแล้วมาคิดต่อคือนั่งสมาธิจนกระทั่งมันนั่งไม่ได้มันออกจากสมาธิมา ừ, การนั่งสมาธิที่ต้องการให้มันนั่งนานๆให้มันเน่งนานๆเพราะมันจะได้มีกำลังที่จะมาทำงานทางปัญญาต่อไปการนั่งสมาธิเหมือนกับการนอนหลับของร่างกาย ร่างกายถ้าไม่ได้พักผ่อนหลับนอนมันจะไม่มีเรี่ยวมีแรงไปทำงานเข้าใจไหมถึงต้องพักผ่อนหลับนอนจิตก็เหมือนกับร่างกายต้องพักในสมาธิถ้าจิตพักในสมาธิจนมันพักจนพอมันอิ่มแล้วมันก็จะถอนออกมาเหมือนคนนอนหลับนอนหลับอิ่มแล้วก็จะตื่นขึ้นมาพอะตื่นขึ้นมาก็จะมีกำลังวังชาที่จะไปทำงานทาการ จิตก็ต้องทํางานวิปั ส, สนาปัญญานี่เป็นงานของจิตเพราะต้องคิดต้องใช้ความคิดต้องคิดหาเหตุหาผลทดดูความจริงว่าเป็นอย่างไรต้องใช้มีต้องมีกําลังถ้าไม่มีกําลังจิตมันจะหิวกับเรื่องอื่นมันจะหิวกับรูปเสียงกลิ่นรสจะให้มันมาคิดทางปัญญามันก็ไม่เอามันจะเอาแต่รูปเสียงกลิ่นรสเอาแต่ขนมเอาแต่กาแฟเอาแต่หนังเอาแต่ละคร มันก็จะไม่สามารถไปคิดทางปัญญาได้ถ้าไม่มีสมาธิก่อนคําถามจากคุณกฤชกุลค่ะเราต้องพิจารณาใจทั้งวันเลยหรือเปล่าครับอใจเราไม่ต้องพิจารณาเราพิจารณาร่างกายพิจารณาสิ่งที่มากระทบกับใจสิ่งที่มาใจไปรับรู้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องได้ด้วย พิจารณาให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันจะทำให้เราทุกข์เวลามันเปลี่ยนไปเวลามันจากเราไปเราต้องอย่าทำให้ใจเราทุกข์กับมันด้วยการยอมรับว่ามันจะต้องเปลี่ยนมันจะต้องจากเราไปอย่าไปอยากให้มันไม่เปลี่ยนอย่าไปอยากให้มันไม่จากเราแล้วต่อไปเวลามันจากเราเวลามันเปลี่ยนมันก็จะไม่ทำให้เราทุกข์คาถามจากคุณฮอลลี่ค่ะ การที่บุคคลภายในครอบครัวขาดความสามคัคคีเราควรจะปฏิบัติตนและวางใจอย่างไรเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขเจ้าค ะ, ะเราก็อยู่ไปทำตามเราก็สามัคคีของเราไปเขาไม่สามคัคคีก็เรื่องของเขาเราก็สามคัคคีเราก็อย่าไปก่อเรื่องก่อปัญหาให้กับใครอยู่ถ้า อ, อยู่ในความสงบทําอะไรร่วมกันได้ก็ทําถ้าทําร่วมกันไม่ได้ก็ไม่ต้องทําต่างคนต่างอยู่กันไปแต่อย่าไปรบกวนกันอย่าไปยุหยงอย่าไปด่าไปว่าไปอะไรกันใครอยากจะทําอะไรก็ปล่อยเขาทาไปถ้าไม่มีความสามัคคีที่จะทําทอะไรร่วมกันก็ต่างคนต่างทําไปก็แล้วกันอย่าไปทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเสียหาย การกระทำมันไหนที่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเราก็จะอย่าไปทำทำในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับคนอื่นหรือหรือไม่เกิดโทษกับคนอื่นคําถามจากคุณสุคุงค่ะเมื่อเราไปปฏิบัติธรรมในที่วิเวทแต่กลับมาทํางานหัวหน้างานเขาสอบถามเราว่าไปแล้วได้อะไรบ้างเหมือนเขาไม่เห็นด้วยในการปฏิบัติของเราเราต้องวางใจอย่างไรเจ้าคะ เราห้ามเขาไม่ได้ไงเขาจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันเป็นเรื่องของความเห็นของเขาคนเรา น, านานาจิตตังบางทีเขาเห็นว่าไปดูหนังดูละครดีกว่าไปนั่งสมาธิเราจะไปให้เขาเห็นด้วยว่านั่งสมาธดิดีกว่าดูหนังดูละคร <bus y> เขาก็จะไม่เห็นแต่ถ้าเขาเคยไปนั่งสมาธิมาเขาก็จะเห็นเพราะฉะนั้นความเห็นของคนอื่นนี่ก็ต้องปล่อยให้เขาเห็นไปตามความเห็นของเขา เราไม่ต้องไปหวังอะไรจากเขาคําถามจากคุณฉัดชัยค่ะคนตายไม่คนตายไปไม่ได้นับถือศาสนาพุทธถ้าเราจะอุทิศบุญให้เขาเขาจะได้รับผลบุญไหมครับได้ถ้าเขามารอรับผลบุญถ้าจิตเขาอยู่ในสภาพที่เป็นขอทานเขาก็จะมารอบุญมาเรารับบุญจากเรา ถ้าเขาไม่ได้เป็นขอทานเขาเป็นเทวดาเขาก็ไม่ต้องมารอรับบุญคำถามจากคุณศักชัยค่ะเวลาเราสวดมนต์มักจะมีความคิดที่เป็นอกุศลเข้าแทรกในทุกครั้งที่เราจะทําความดีแต่ฝืนทําความดีสําเร็จทุกครั้งเพราะเราตั้งใจที่จะทําจะมีทางแก้ได้อย่างไรครับก็ทําดีไปเรื่อยๆ เวลาคิดอกุศลก็หยุดคิดมันหรือสอนเตือนใจบอกใจว่าคิดอย่างนี้ไม่ดีต่อไปมันก็จะไม่คิดคำถามจากคุณแพรค่ะถ้าเราทำสมาธิคิดถึงพุโทโธรู้ตลอดหลงบ้างรู้บ้างเป็นชั่วโมงแล้วไปไหนต่อคะก็ไปนั่งนั่งนั่งสมาธิอยู่ถ้ายังไม่สงบก็นั่งไปเรื่อยๆจัการมันจะสงบ ถ้ายังไม่สงบถ้านั่งไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาเดินมาพุโทโธต่ออย่าหยุดพุดโทโธพยายามพุโทโธทำพุโทโธให้มากๆในทั้งสีิริยบทถ้าทำได้แล้วต่อไปเวลานั่งสมาธิกจิตก็จะสงบได้คำถามจากคุณสิริปริยาค่ะเวลานั่งสมาธิถ้าจิตมันจะสุกมันสุกยังไงคะอธิบายให้ฟังหน่อยคะ่ะวิธีด้วยค่ะเหมือนกับกินข้าวไง เวลากินข้าวเวลามันอิ่มแล้วมันสุขยังไงมันก็เวลานั่งสมาธิก็สุขแบบนั้นเวลาจิตสงบไม่คิดมันก็สุขเหมือนกับตอนที่เราหยุดหยุดกินข้าวแล้วกินจนอิ่มเลากินไม่ลงนะอันนั้นเราก็จะอิ่มเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเอาค ำ, คำถามคาําสุดท้ายข้อสุดท้ายคำถามจากคุณเลือดอ ง, งุ่นค่ะผู้รู้ตื่นคืออะไรขอรับก็ไม่ใช่พูดหลับไง ผู้หลับก็ไม่ใช่ผู้ตื่นผู้ตื่นก็ไม่ใช่ผู้หลับผู้ผู้ตื่นในทางนี้ก็คือตื่นจากความหลงตื่นจากความมืดบอดตื่นจากความหลงที่ไปเห็นว่าแฟนนี้จะให้ความสุขกับเราผู้ที่ตื่นจะรู้ว่าแฟนนี้จะให้ความทุกข์กับเราตื่นจากความหลงจะไม่มีแฟนผู้รู้ผู้ตื่นจะไม่มีแฟนจะไม่มีทรัพย์จะไม่ต้องการอะไร